เส้นทางของพวกเราก็ต้องเป็นอย่างนี้จุดหมายปลายทางของการปฏิบัติธรรมนะก็คือมาดูให้เข้าใจความเป็นจริงขั้นแรกปัญญาขั้นแรกก็คือเห็นกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเห็นแล้วก็ดูต่อไปอีกเพราะมันมีความยึดอยู่พอมีความยึดอยู่ก็ดูตามความจริงไปอีกให้จิตมันเข้าใจความจริงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นว่าขันนี้เป็นทุกข์ทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะหยั่งลงไปในพบไหนภูมิไหนที่รู้สึกว่าสบายจริงแล้วความสบายก็เป็นพบพบหนึ่งถ้าเราไปติดในความสบายความว่างก็กลายเป็นพบพบหนึ่งก็ไปพอใจในพบหยั่งลงในพบก็เรียกว่าไปเกิดในพบพบหนึ่งเกิดในพบนั้นแล้วก็ต้องเตรียมตัวตายเกิดทุกครั้งเลยเราจะมีถูกคำสั่งประหารเอาไว้ทุกครั้งเลยทุกครั้งที่เกิด เพราะนั้นทุกครั้งที่เกิดจะมีทุกรออยู่คือความตายจากภพนั้นถ้าพอใจยินดีในภพนั้นยิ่งทุกข์มากตอนที่จะออกจากภพนั้นเพราะว่ามันน่าอยู่มันสบายมันสว่างมันว่างนี่นะจนหลุดจากความว่างนี่แล้วตอนจิตมันสัมผัสได้ว่าจะต้องไปเจอความไม่ว่างนี่นะจิตจะรู้สึกดิ้นรนกระวนกระวายมากคนเข้าฌาน คนเข้าฌานที่หนึ่งเนี่ยประถมฌานเนยนะมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเนี่ยนะตอนเข้าฌานได้นะ่ยโอ้มันมีความสุขกับการคลุกอยู่กับกามสุขในสุขในฌานเนี่ยมันไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับกามเลยนะรู้สึกว่าตอนอยู่ในฌานเนี่ยมีความสุขมากแต่พอจิตมันกระดิกนิดนึงแล้ลึกถึงฌานแล้วลึกถึงกามที่เคยเคยคลุกอยู่นะั้นจิตจะรู้สึกว่ามีทุกข์เลยพอ ขึ้นขึ้นจากฌานที่1ไปสู่ฌานที่2เนี่ยจิตจะละวิตกวิจารวิตกวิจารละหายไปก็เหลือสุปีติสุขเอกกตา3อย่างตอนเข้าฌานที่2มีปีติสุกเอกกตานี่พอจิตระ ล, ลึกถึงเมื่อครั้งที่เข้าปฐมฌานว่ามีวิตกวิจารนะจิตจะทุกข์เห็นทุกข์เพราะว่าตอนนี้เข้าฌานที่2แล้วสุกสุขกว่า ตอนมีวิ่ตอกพีจารนเนี่ยเป็นทุกข์ไปเลยดูสิ <c oughs> ไอ้สุกเมื่อกี้นี่นะตอนที่ได้ฌานที่หนึ่งเนี่ยคิดประสุกแล้วนะพอเข้าฌานสองพอหวนระลึกถึงฌานที่หนึ่งหน่อยหนึ่งนะรู้สึกเป็นเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยถ้าเข้าได้อีกละปีติไปเหลือแต่สุกกับเอกอากับตาเป็นฌานที่สามฌานขั้นที่สามแล้วเนี่ยพอนึกถึงว่าเมื่อครั้งเคยมีปีตินะโอ้ทุก ดูสิไอ้ตอนเนี้ยมีแต่สุขกับเอกะกะตาตอนปีติเนี่ยนะมันรู้สึกมันกระดีกระดาเกินไปอะตอนสุขตอนสุขเฉยๆเนี่ ย, ยนะดีสุขสบายสบายแต่พอปีติเนี่ยมันแบบกระดีกระดามากเกินนึกถึงปีติแล้วรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยถ้าเข้าฌานที่สละสุขเหลือแต่อุเบกขากับเอกคตา ตอนเข้าชานที่สี่มีแต่อุเบกขาเพราะนึกถึงสุขเห็นสุขที่เคยได้ตอนฌานสามเนี่ยเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยดูสิ <c oughs> เข้ารูปฌานได้พอละรูปฌานเป็นอะรูปฌานนะนึกถึงรูปแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมาอีก <c oughs> เราอยู่ภพไหนนะนึกถึงภพที่ต่ำกว่านิดนึงนะเราจะเป็นทุกข์เลยแล้วมันอยู่ภพนั้นก็ไม่ได้นานเพราะเข้าแล้วก็ออก เข้าชานก็ต้องมีการออกจากชานตอนออกจากชานถ้าทำใจไม่ได้นะจะรู้สึกว่าโห้ไม่น่าออกมาเลยกลัวแล้วก็ดิ้นรนจะเข้าไปอีกอุปสรรคของคนนักปฏิบัติขั้นต่อมาขั้นต่อมาเนยนะก็คือดิ้นรนจะหาภาวะที่สุขที่สงบแล้วก็ที่ดีเห็นว่า สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยดีพยายามรักษาดีอันนี้ไว้เห็นว่าจิตขณะนี้มันสงบพยายามรักษาความสงบอันนี้ไว้เห็นว่าที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยมีความสุขพยายามประคองรักษาความสุขอันนี้ไว้สุขดีสงบเนี่ยนะสามตัวเนี่ยนะดูเหมือนเป็นกุศลที่ดีและควรจะทำให้เกิดขึ้นแต่พอทำให้เกิดขึ้นแล้วถ้าติดมัน ถ้าติดมันเนี่ยนะไอ้สตัวนี้กลายเป็นว่าเราตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติที่ผิดเราไม่ได้เอาเป้าหมายในการปฏิบัติคือ3ตัวนี้นะสุขดีสงบ3ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายปลายทางเป้าหมายปลายทางคือเกิดปัญญาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ไปเจอของดีแล้ว เก็บไว้รักษาไว้ประคองเอาไว้เห็นว่าสงบแล้วรักษาภาวะอันนี้ของความสงบอันนี้ไว้ไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นทางผ่านทำไปแล้วเนี่ยจะเจอความดีความสุขความสงบใ น, นี้แต่ว่าไม่ใช่จุดหมายปลายทางคือไม่ใช่เจอแล้วประคองเอาไว้รักษาเอาไว้มันจะเสื่อมก็ได้มันจะดับก็ได้ให้มันเสื่อมให้มันดับไปให้เห็นความจริงดีเดี๋ยวก็ไม่ดีสุขเดี๋ยวก็เป็นทุกข์สงบเดี๋ยวก็ฟุง้งซ่าน ดูอย่างนี้นะมีเข้าชานก็มีออกชานมีเข้าก็มีออกไม่ใช่รักษาประคองรักษาเอาไว้ประคองรักษ า, าไว้ถ้าทำได้ไปเป็นพระพรหมไปเป็นพระพรหม